ต้นสาธชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้เรื่องการก่อนจเจริญเครื่กรรมฐานก็จะนำมาเรื่องของพิสุโกสัมพีซึ่งจัดว่าเป็นพระชั้นเลวในเขตของพระพุทธศาสนาซึ่งมีใจด้านไม่เชื่อฟังแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเล่าต่อไป เป็นนั้นว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีช้างเป็นอุปถากอยู่เอทับสมรานิยาบทอยู่ในป่าอยู่กับช้างนั้นสําหรับช้างตัวนั้นเป็ น, นว่าขอเล่าเดียรย่อช้างตัวนั้นก็ละจากป่าละจากฝูงช้าง ถ้ามาปฏิบัติองค์สมเด็จระสัมมากัพุทติเจา้าเพื่อทำทุกอย่างน้ำใช้ก็ดีน้ำฉันก็ดีช้างก็สาก็มาใช้งวงแล้วก็บอกตกมาถวายสำหรับน้ำสงฆ์องค์สมเด็จเระจอมไตรปรากฏวา่าในป่านั้นมีความหนาวมากเวลาที่น้ำจะทำน้ำช้างจะทำน้ำร้อน ก็เอางวงจับไม้สีกันให้เป็นไฟเมื่อไฟติดแล้วก็กลิ้งหินเข้าไปหาเข้ามาในกรองไฟแล้วก็ไม้เข้ามาใส่ทั้นไม่เห็นเห็นว่าหินร้อนดีแล้วก็ไม้จับไม้มางัดหินนั่นไปแช่ไว้ในน้ำซึ่งว่าเป็นอ่างน้ำไม่โตนักหลังจากนั้นแล้วก็ลองงวงจุ่มน้ำดู เห็นน้ำร้อนแล้วก็เข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพรพ่าเ จ, จ้าจึงตรัสถามว่าปาริหรยกะเจ้าต้มน้ำแล้วหรือช้างก็แสดงให้ทราบว่าเวลานี้ช้างต้มน้ำแล้วองค์สมเด็จพระประทีรแก้วก็เสด็จไปที่นั้นได้กล่าวว่าในเวลานั้นพญาช้าง ก็ได้นําผลไม้ต่างๆมาถวายแด่องค์สมเด็จพระผู้มีรพระผาคเจ้าเมื่อสมเด็จพระผู้มีรพระผาคเจ้าจะเสด็จเจ้าไปบิณฑบาตพญาช้างนั้นก็ถือบาตรจีวรไว้เบงกระพองตามเสมด็จสมเด็จพระโรมัสาสดาไปพรอสันดาเ ส, ด, า ส, าสด็จถึงแดนบ้านแล้วจึงรับสั่งว่าปาริลยกะ ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเจ้าไม่อาจจะไปได้เจ้าจงบาจีวรของเรามาช้างก็ส่งบาจีวรถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพญาชาง น, นั้นเาบาจีวรถวายแล้วสมดรรสเด็จพระบพีแก้วก็เสด็จเข้าไปบินทบาทส่วนพญาช้างนั้นก็ยืนคออยู่ตรงนั้น จนกว่าองค์สมเด็จพระพคทธรวันจะเสด็จออกมาในเวลาที่พระศาสดาเสด็จมาทำการก็ต้องทำการต้อนรับถือบาทจีวรโดยในก่อนนำไปแล้วก็ปรงลงวางลงที่ประทับอยู่แล้วถวายงานพัดใบใบด้วยกิ่งไม้เป็นอนวุวาช้างแสดงการวัดปฏิบัติ อยู่ตลอดทั้งในกลางวันและกลางคืนพยาช้างนั้นสําหรับกลางวันนะปฏิบัติอยู่แต่ว่าในเวลากลางคืนช้างนั้นก็นําท่อนไม้มาท่อนหนึ่งเป็นท่อนใหญ่เอาวางไว้ในวงวงจับไว้เที่ยวไปเที่ยวเดินไปรอบรอบเห็นราวป่าจนกว่ารุนจะขึ้น ทันนี้ก็เป็นการป้องกันอันตรายจะพึงมีเดอองค์สมเด็จตัสสัมมาสัมพุตตเจ้าเป็นมมปน้ำบาดาช้างตัวนี้ตัง้งใจไว้ว่าเราจะรักษาสมเด็จตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตนี่สนแสดงน้ําใจถึงช้างที่มีความโจรรักดีเดอองสมเด็จตัสสัมมาสัพพุตตเจ้าเจริญายอย่างนี้ จัดว่าช่างที่ว่าเหมือนกับเราสมาท า, านเป็นกรรมฐานโดยการใช้คำว่ามอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองความจริงจริยาอย่างนี้เวลานี่พระของเราก็มีอยู่มากเหมือนกันที่รักษาพราะสมบัติองค์พระศาสนาขององค์สมเด็จตัสัมมาสัมพุทธเจ้า การรักษาสมบัติของพระพุทธเจ้าคือที่ประชาชนมอบกรรมานไว้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเหมือนกับรักษาชีวิตขององค์สมเด็จะจอมไตรบรมศาสนาทั้งนี้พร่อใเพราะว่าถ้าทรัพย์สินในพระพุทธศาสนาจะต้องสลายไปก็าการไม่ระวังละววยของพวกเรา ก็จะเป็นเหตุให้บรรดาประชาช น, นหลายที่มีความเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดศรัทธาประสาทะในเมืม่อหมดศรัทธาคือความเชื่อหมดประสาทะคือความเรื่อมใสถือว่าบรรดาพระสงค์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามานี่เป็นได้เพียงบวชเข้ามามาอาศัยพระศาสนาเท่านั้น ไม่ได้ทําตนให้พระศาสนาได้มีโอกาสอาศัยเขาก็จะขาดความเลื่อมใสเมื่อขาดความเลื่อมใสในตัวบุคคลที่อยู่ในขอบเขตของพระศาสนาก็ชื่อว่าทำให้พระศาสนาสลายตัวไปโดยปริยายฉะนั้นบรรดาวิสุทธิสมณีทั้งหลายด้วยบรรดาอบาลสุคุบาลศีกา ที่มีความเคารพในองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทาแล้วเช่นเดียวกับชางปาลิไดยกะมอบกายถวายชีวิตต่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งใจปฏิบัติพระธรรมวินัยแล้วก็สร้างสรรค์สมบัติของพุทธศาสนาสิ่งใดที่ไม่ดีทําให้ดีขึ้น เชียงใดที่ย่อยยับจะส่วนเสียสลายตัวลงคือเสื่อมลงก็ทําให้ดีขึ้นเชียงใดที่ยังไม่มีทําให้เกิดขึ้นทําให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ชื่อว่าเป็นช่วยกันเจริญศรัทธาให้แก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งนี้ก็ชื่อว่าท่านทั้งหลายช่วยกันรักษาพระศาสนาไว้ทั้งสองฝ่ายคือหนึ่งรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมวินยัย ทั้งศีลสมาธิปัญญาที่จัดว่ามีผลนั้นเลิศอีกแรกการหนึ่งท่า น, สนแสดงความประเสริฐในจิตของท่านนั่นก็คือตามรักติยามรักขาสมบัติของพุทธศาสนาไม่เสื่อมสลายเป็นการดูษาศรัทธาไทยขวัรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอันว่าท่านทันหลายตั้งใจเจนลงพระศาสนาของค์สมเด็จตถาสมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ พระพุทธศาสนายัางทรงอยู่เพียงใดก็ชื่อว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาหยุดเสียงทรงอยู่เพียงนั้นถ้าพระพุทธถ้าหากพุทธศาสนาสลายตัวลงไปเมื่อไร่เวลานั้นก็ชี้ว่าพระพุทธเจ้าของเราตายไปแล้วทั้งนี้พ่อใหญ่พ ร, ะ, ร, พระวัดในสมัยเมื่ององค์สมเด็จพระปฏีแการจะทรงดับขันธ์ก็สู่ท่ปรินิพาน ในตอนนั้นพระนนลแสดงความโศกเศร้าเสียใจมากถึงกับละองสมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่ายเจ้าไปเกาะสลักประตูร้องไห้พระองค์สมเด็จพระจอมไตรทสงทราบก็ให้ทรงทรงเรียกพระนลเข้านนขมาเฝ้าพระนลก็กราบทูลว่าเวลานี้สมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่ายเจ้าจึงจะทรงสเสด็จดับขันเข้าสู่ท่าปรินิพาน ถ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นเสขะบุคคลคือยังเป็นพระโสดาบันยังไม่ได้อรหรันหลังจากนี้แล้วจะมีบุคคลใดที่จะสอนให้ข่าพระพุทธเจ้าได้อรหรันเวลานั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามาจรจึงได้มีพระพุทธฎีกาตัทว่าอานันทาโดก่อนอนนนท์เมื่อเรานิพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนเคยไว้ทั้งหมด เราตัดเว้แล้วทั้งหมดจะเป็นศาสดาสอนสเธอในแปลว่าคําพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ยที่ขันห้าคําว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่คําสอนดันั้นในเมื่อบรรดาท่านทันหลายช่วยกันรักษาศรัทธาของบรรดาท่าพุทธบริษัททันหลายไวย้ด้วยการรักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเมื่อทรัพย์สินของพระพุทธศาสนายังทรงอยู่ด้วยดี เป็นการจันลองศรัทธาขบมรดาธรรมพุทธบริษัทที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินสีอย่างนี้ก็ชื่ีว่าท่านรักษาชีวิตของพระพุทธเจ้าไว้ส่วนห <c oughs> นึ่งในบริการหนึ่งที่ท่านนั่งตั้งใจปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาด้วยกําลังศรัทธาของตน ต, งตามกําลังที่จะพึงทําได้อย่างน้อยก็ตั้งตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อย่างนี้ก็ชื่อว่ารักษาชีวิตของพระพุทธเจ้าไว้ว่าคําว่าพระพุทธเจ้าก็ได้แก่พระธรรมวินัยฉะนัการที่ท่านรักษาพระธรรมวินัยคือศีลสมาธิปัญญาให้ทรงอยู่ก็ชื่อว่าท่านทนุธนนอมองค์สมเด็จพระบรมครูให้ทรงชีวิตต่อไปเป็นนว่าที่การที่ท่านทั้งหลายทําเหตุทั้งสองแบบการคือทรงศีลสมาธิปัญญาก็ดี พยายามเสี่ยงความลำบากของตอนนักษาทรัพย์สมบัติขององค์สมเด็จพระจินัฏฐ์ก็ดีก็เป็นการเจริญศรัทธาก้บมรนดาแทนพุทธบริษัทคือเหตุทั้งสองราการนี้หนึ่งท่านทรงศีลสมาธิปัญญาเป็นการ ท, าทาาําศรัทธาไทยก้บมรนดาแทนพุทธบริษัเทให้เกิดขึ้นไปจริยาวัรของท่านทําให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าพระพุทธศาสนายัางเป็นของดี นักปฏิการที่สองท่านหลายเหล่านี้ที่มีความจงรักภั ก, ภกดีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าทรัพย์สินที่บรรได้ยติโยนถวายเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าส่วยการรักษาไว้ศรัทธาไทยตอนนี้สําคัญมากคือปัจจริยานี้นมีความสําคัญมากถ้าเราทอดทิ้งทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาชาวบ้านก็ขาดความเรื่อมใสก็ก็เลิกไป ก็เห็นว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีความหมายเมื่อท่านทรงศรัทธาของเขาของบรรดาชาวบ้านไม่ได้ทั้งสอมใดการอย่างนี้ผมก็มั่นใจว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะคงอยู่ตลอดไปด้วยความดีของท่าน เป็นอนว่าช้างปารีลายกะกับบรรดาท่านทางหลายที่ช่วยการรักษาพระพุทธศาสนาเวลานี้มีจริยาเหมือนกันนั่นเป็นช้างท่านเป็นพระท่านยมีภาษีดีกว่าเล่าเรื่องนี้ต่อไปได้ยินว่าในราวป่านนั้นชื่อว่ารักขิตวันรักขิตวันสันดะจําเดิมท่านตรวัดนั้นเป็นต้นมา ทันบอกว่าขั้นเวลาอารุณ์ขึ้นแล้วช้างนั้นก็ทำวัดป ฏ, ฏิบัติทั้งปวงโดยบายตามที่กล่าวแล้วคือมีกการถวายน้ำสงกระพักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนี่เป็นอันว่าจริยาวัดของช้างซึ่งเป็นสักวิดชาันทำได้ดีขนาดนี้ก็ น, น่นาเรื่มใส อะขอเล่าเลยไปอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ก็เลยเรื่องไปหน่อยแต่ว่าเรื่องที่คุณจะพูดอย่าลืมว่าช่างปาลิลายกะเชีย่ยงนี้เป็นพระโพธิสัตว์ปรากฏมาในชาดกบางแห่งซึ่งยังไม่สามารถจะนํามากล่าในาที่นี้ได้เพราะเวลาระยะเเรื่องยาวมากเป็นเ่อช่างปาริลยะกะเชืย่ยงนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ไม่กับนี้เพราะว่ากับนี้มีพระพุทธเจ้าสิบองค์หลังจากพระสิพระสิอา ร, ยาริยะเมตไตรเปองค์ที่ห้าจัดว่าเป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สองยังจะมีมาอีกเช่นหนึ่งพระรามสองพระเจ้าประเสริที่กุศลสามสร้างปฏิยายากาศเป็นต้นแล้วก็มีอีกห้ารวมเป็นห้าเดยกันอีกสองท่านจะเป็นใครผมจำชื่อไม่ได้ เป็นอนุนวัตถึงแม้ว่าเขาจะเป็นช้างแต่ก็เป็นช้างพระโคดิสัตจึงได้มีจริยวัตรนาใจดีทั้งเพียงนั้นฉะนั้นจริยาทั้งหลายของช้างตามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ไปเป็นหน้าที่ที่ควรบรรดาวิสุสมณเณรอุบาสท้งหลายจะควรถือเป็นวัดคาวมายความควรจะถือเป็นแนวปฏิบัติไปจใจ้ววสุสมนเนอุบาสบุบิกามากทัน ที่ทําตนเช่นเดียวกับช้างแล้วก็มองดูผลต่อไปว่าช้างตัวนี้เวลาตายจะไปที่ไหนแต่วันนี้คุณจะตายหรือไม่ตายก็ยังไม่ทราบเล่ากันต่อไปเพ่งกล่าวว่าในเวลานั้นก็ยังมีวานนอนคืนลิงอีกตัวหนึ่งลิงตัวนี้เห็นช้างเห็นช้างนั้นขึ้นลุกแล้วก็ทําอภิวาตเจ ร, เตริยาวัตถโอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ทาการปฏิบัติลิงก็คิดว่าช้างทําได้เราก็จะทําได้ช้างทําอะไรได้เราจะทําอย่างนั้นได้เมื่อช้างถวายพระพุทธเจ้าได้ผลไม้ช้างทําวัดปฏิบัติพระพุทธเจา้ า, จาได้ช้างไม่มีมือช้างมีแต่งวง เรามีมือสองมือมีเท้าสองเท้ามือของเราจะใช้เป็นมือก็ได้จะทําทใช้เป็นเท้าก็ได้ทั้งด้านหน้ากละด้านหลังเป็นอันว่าเราได้เปรียบช้างแต่ตัวเราเล็กกว่าช้างแต่ถึงเราจะเล็กเราก็มีความสามารถฉะนั้นมาตัดสินใจดังนั้นเขามีความเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมมเล็กกนาตจึงเที่ยวไปวันหนึ่งไปเน่ารวงพึ่งที่กิ่งไม้ หาตัวไม่ได้คือพึ่งไม่มีตัวแล้วจิงที่หกกักจิงไม้นั่นมาแล้วก็นำารงพึ่งนั้นมาพร้อมที่จิงไม้ <c oughs> เข้าไปถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาได้ <c oughs> เด็ดใบตองลองถวายสมเด็จพระผูทมีพระพาทเจ้าทรงรับแล้ว <c oughs> บัคคอวานอนเจลิงมองดูอยู่ โดยคิดว่าสมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าจะเสวยหรือไม่ก็เห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรรับแล้วก็นิ่งเฉยอยู่จึงคิดว่านี่เป็นพ่ออะไรหนอหรือว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเราเป็นเล่งตัวเล็กมีค่าไม่เท่าช้างความจริงน้าพึ่งนิกกวานดีจึงย่องย่องย่องเข้าไปดูใ ก, กล้ ยำมือจับปลายจริงไม้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าี้อแล้วก็พิจารณาดูเห็นตัวพึ่งอ่อนๆตัวน้อยๆมีสองสามตัวจึงค่อยๆนำเอาพึ่งตัวอ่อนนั้นออกแล้วจึงได้เข้าไปถวายใหม่ตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงรับและก็สเสวย <c oughs> เมื่อองค์สเร็จประผู้มีพระพ้าเจ้าเสวยน้ำผึ้งลิงก็ดีใจคิดว่าช้างตัวใหญ่ทำการปฏิบัติพ ร, พระพุทธเจ้าได้เราเป็นลิงตัวเล็กกะก็ทำได้เราไม่แพ้ช้างเขาดีใจจึงกระโดดโล ด, ดเต้นไปตามตามบทตามเพลงของลิงในบารีที่บอกโดดไปกับพรอนลำไปตามจังหวะจะโคนประสายความดีใจ ในเวลานั้นจริงไม้ที่ลิงนั้นโดดไปจับก็ดีและจริงไม้ที่ลิงนั้นไปเหยียบก็ดีมันดันหักก็มาต่อมกันเจ้าลิงตัวไหนก็เลยตกกลุ่มาโดนเอาที่ปลายต่อต่อหนึ่งตัวของเขาถูกปลายต่อแทงเข้าไปแล้วเพราะสายที่จิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้า เขาก็ตายพอตายจากความเป็นลิงก็ไปเกิดเป็นมิมานทองคำสูงสามสิบยอในชั้นในตาวดงสวรรค์มีนางเทพเอัษรพันหน่งเป็นบริวารฟังตรงนี้แล้วก็อย่าฟังเป็นยญทานนะท่านฟังตรงนี้แล้วคิดอะไรได้บ้าง อย่าลืมว่าลิงตนนี้มีความนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเลื่อมใสในพระองค์ <c oughs> ถาวายทานด้ของนิดหนึ่งคือว่ารวงพึ่งตามที่เขาสามารถจะหามาได้ถาวายแล้วก็ดีใจมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดดไปโดดมาจิงไม้ที่ถือก็หกักจิงไม้ที่เหยียบก็หกักหล่นลงมาตาย ตายแล้วไปเกิดเป็นเทว ด, ดาบนสวรรค์เช่นดาวดิงสเทวโลกมีวิมานทองคำสูงสามสิบยอมีนางเทพเอาสอนเป็นบริวารหนึ่งพันลิงตัวนี้น่ากลัวจะมีนามว่าวา น, นอนเทพบระบรุหรือจะเป็นลิงเทพระบุก็ไม่ทราบก็ไม่ได้บอกชื่อ <c oughs> ฟังตรงนี้แล้วก็คิด คิดว่าเราเคยวัดถวายทานในพระพุทธศาสนาบ้างหรือเปล่าด้วยความเคารพด้วยความเรื่อมใสเวลาที่ท่านหลายทำวัดสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานท่านมีความเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระพิชิตมารหรือเปล่าวัดกําลังใจของท่านดูหรือว่าสักดิ์เวทธรรมถ้าศักดิ์วทธรรมท่านก็สู้สักดิ์ในฉันคือลิงไม่ได้ หากว่าท่านทําด้วยความเลื่อมใสก็จนดูตัวอย่างลิงลิงเลื่อมใสนิดเดียวชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียวถวายทานหน่อยเดียวเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงได้ <c oughs> แต่ว่าท่านหลายทําทุกสิ่งทุกอย่างทำวัดสดมนคนดีเจริญสมถกรรมฐานมิปัสนากรรมฐานคนดี พยายามทำธุรกิจ ต, ต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนานก็ดีทุกอย่างทั้งหมดนี้ทำได้ความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าหากว่ามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีผลมากไปกว่าลิงเพราะว่าท่านเป็นพระท่านเป็นคนท่านรู้จักพ ร, พ, พระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมรู้จักประสงค์ <c oughs> ดูเรื่องราวอานิสงส์ทุกอย่างกิจที่ท่านหลายปฏิบัติมีกําลังสูงกว่าลิงทุกอย่างฉะนั้นผลที่จะพึงได้นั่นก็ดีกว่าหลิงท่านภูมิใจได้แต่ขอท่านหลายจะท่านนองตัวว่าท่านดีถ้าท่า น, นองตัวเมื่อว่าดีเมื่อไหลพังเมื่อนั้นเมื่อดีแล้วจงรักษาความดีพม่จริยาอันสงบจนรู้ตัวเสมอว่าเรายัางดีไม่พอ ตามคติที่กล่าวว่าอัตนาโจทยาตาหนังจงจะกล่าวโทษโจยความผิดขึ้นตัวไว้จะคิดว่าตัวดีเป็นอันว่าในการต่อไปซึ่งกล่าวทั้งว่าการที่พระพุทธเจ้ามีช่างปฏิบัติอยู่ย่างนั้นว่าทับอยู่ในป่ารกิเวันนั้นได้ปรากฏที่มีข่าวลือไปในจมโพธิวิททั้งสิน้น ที่ก็มีตระกูลใหญ่ๆคือตระกูลท่านนาธิวินิกาเศรษฐีท่านนางวิสาขามาอวาบัสิกาเป็นตน้นได้ส่งข่าวสารไปจากเมืองสาวัตถีทิง้งพระอนุนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงสนแดง ส, สดงพระศาสนาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธแบบเจ้าแก่ข้าพเจ้า แล้วเวลานั้นก็บังเอิญมามีวิสุมาจากในทิศทางทั้งหลายมารวมกันประมาณห้าร้อยูปเ <c oughs> มื่อออกบรรษาแล้วก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าไม่พบพระพุทธเจ้าก็เข้าไปหาพระอ น, นุนอ้อนบอนบอกว่าท่านผู้เจริญทำมีระถาคือการฟังเทศ ค, คำสอนจากพรอบประพักองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วมันนานแล้วอยากจะมาฟังใหม่เพื่อซ้อมความเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นมันถกและผิดคอยพระนนผู้มีอายุจงช่วยอารัธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพาข้าพเจ้าทั้งหลายไปฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าด้เถิดพระเทระก็ตกลงใจว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาจะพาไป ยังได้พาพระพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นไปณที่นั้นแล้วคิดว่าเมื่อถึงที่พระพุทธเจ้าสมบัติก็มีความคิดอยู่ว่าการที่จะเข้าไปสํานักของคงงงงง์สมเด็จตัณ ม, มาสมุทัยเจ้าผู้สเสด็จอยู่องค์เดียวตลอดใจมา่พร้อมกับด้วยพิสุ์มีประมาณเท่านี้เป็นการไม่สมควรนี่จริยาของพระนุ่นท่าน ฟ, ฟังแล้วก็ต้องจําจําแล้วก็คิดคิดแล้วปฏิบัติตาม ฉะนั้นบรรดาพระผ้านนนจะสั่งให้พระห้าร้อยลูปพักอยู่ข้างนอกก่อนจึงเข้าไปฝ้าองค์สมเด็จพระชินวรมแตู่้เดียวเวลานั้นช้างปาริลายกะเห็นพระานนเทละเข้ามาแล้วจิงถือเอาท่อนไม้เอางวงถือท่อนไม้แล้วก็วิ่งไปปรารถนาจะทำรายพระโนนคิดว่าเป็นศัตรู สมเด็จพระบรมครูทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงได้มีพระพุทธดำรับตรัสว่าปาลิลยกะหลีไปเสียอย่าห้ามเธอเลยที่สุองนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นอุป่าทาของเราพระยาช้างปาริลยกะนั้นทิ้งท่อนไม้เสียในที่นั้นเองแล้วแสดงความเอื้อเฟื้อจะเข้าไปรับบาทและกีวร พระเทระก็ไม่ได้ให้แล้วพยาช่างคิดว่าถ้าพิสูรรูปนี้จะมีวัดอันตนได้เรียนแล้วท่ า, าคนคงจะไม่วางบริาขารของตนไว้บนแผ่นขินที่ประทรับขององค์สมเด็จต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระเทระเมื่อเข้าไปก็ไม่ยอมวางบาทตรงที่นั่นเช่นเดียวกัน ดังนี้เพราะว่าท่านมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมทรงธรรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าอาราบันดาท่า น, นหลายมองดูเวลาก็หมดไจแล้วสำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้จะเพียงเท่านี้เพราะความสุขสวัสดีจะมีแต่พันผู้รับฟังทุกท่าน